กิจโฉมนุษะปฏิลาโภกิจฉังมัจจานะชีวิตตังกิจโฉพุทธานมุ ป, ปาโทกิจฉังสัตธรรมัสสวนันติ <c oughs> สองทุ่มนั nah ่งนั่งตามสบายเธอเป็นการนั่งสมาธิภาวนา ปอยวางอารมณ์ทั้งหลายไม่ให้นำมาคิดปรุงแต่งเพื่อก่อควรจิตใจของเรา หรือเพื่อทำลายจิตใจของเราหรือเพื่อผักดันใจของเราให้มีความเอเอียงไป เพราะความรักเพราะความชังเพราะความหลงเพราะความกลัวท่านเรียกว่าคติที่ทำให้จิตใจเอียง ท่านจึงให้ตั้งสติให้มั่นกับจิตใจอย่าให้อารมณ์แห่งความขุนัวหรือขัดข้องเกิดขึ้นถ้าเทียบกับภาชนะเมื่อมันเอียง น้ำแม้จะมากแค่ไหนก็บรรจุเข้าไปได้แค่นั้นเรียกว่าแค่ที่มันเอียงเอียงมากก็บรรจุไปได้น้อยและเมื่ออารมณ์แห่งความขุนมัวซึ่งเป็นเรื่องปกติของใจที่จะเก็บมาคิด เรียกว่าเป็นธรรมดาเมื่อใจของเราได้สัมผัสเกี่ยวข้องกับอารมณ์ทั้งหลายทางตาทางหูทางจมกูกทางเล่นทางกายล้วนเข้าสู่ใจสัมผัสที่ใจ ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นห้ามมิให้สัมผัสก็ไม่ได้ท่านเรียกว่าอายตนะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปโดยปกติแต่ใจซึ่งมีสิ่งที่นอนเงื่อมาช้านานแล้ว เมื่อตากระทบลูกหูกระทบเสียงมันจึงเหมือนกับเครื่องส่งเสริมให้สิ่งที่นอนเนื่องได้แก่ธุลีอยู่ในดวงจิตของเรานั้นเกิดความฟุ้งขึ้นมาเป็นความคิดความปรุงแต่งและอารมณ์ ดวงจิตทำเองไม่ได้ก็ผลักดันให้เกิดการกระทำทางกายและวาจาและยอนเข้ามาให้ผลที่ใจเหมือนเดิมจึงว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ จึงทำให้ดวงจิตขุนมัวท่านเรียกว่าแปดเปื้อนด้วยความสกรปรกไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูมันก็เป็นสิ่งที่สกรปรกจากความรู้สึกในจิตของเราเกิดกิเลสเกิดตัณหากิเลสคือ สิ่งที่ทําให้เกิดความขุ่นมัวท่านเรียกว่าทุลีหรือของโซกปกนั่นเองทําให้จิตใจเกิดความคขมขลาหรือทําให้จิตใจเกิดความโซกปกไม่สะอาดทำให้จิตใจเกิดความฟาุ้งซ่านวุ่นวายซับสน ฉะนั้นภาชนะคือดวงจิตนี้เราจึงต้องชำระให้มีความสะอาดด้วยไม่นำความขุ่นมัวที่เกิดขึ้นนั้นมาเป็นอารมณ์ท่านจึงว่าวางเอาไว้ภายหลังหรือเพื่องหลัง กำหนดสติตั้งให้มั่นอยู่เฉพาะตัวโรคแล้ววางสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องให้นักคิดปรุงแต่งงั้นรักษาไวเ้เช่นนั้นธรรมะจึงจะเข้าสู่ใจและเป็นสิ่งที่สะอาด ทำให้จิตใจของเรามีความซาสท่องใสทำให้เกิดความรูภในสิ่งที่เรายังไม่รู้ในสิ่งที่เรารล้ก็จะมีความรลที่ชัดเจนจำแจ้งขึ้นความสงสัยลังเลก็จะหมดไป นั้นคืออา น, นิสง์ภายในปัจจุบันที่เราได้รับจากการฟังและการปฏิบัติข้อที่หนึ่งเพื่อทำให้เกิดความสงบต้มเย็นเมื่อจิตใจมีความสงบได้ชื่อว่าใจของเรามีความอิ่มเมื่อมีความอิ่มก็จะมีกำลัง เหมือนร่างกายของเราถ้ามีความหิวโหอยอยู่เราก็จะไม่มีกำลังถ้ามีความอิ่มแล้วใจนี้จะมีกำลังและเมื่อมีกำลังเราจะสามารถที่จะทำอะไรได้ในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ เมื่อจิตนี้มีกำลังก็จะเป็นพื้นฐานให้เกิดความฉลาดเรียกว่าปัญญาความรอบโลกตามเป็นจริงของสภาวธรรมที่จิตใจของเราไปสำคัญมั่นหมายและทำให้เกิดความรุ่มหลงขึ้นมีสองประการนี้ ฉะนั้นการฟังเมื่อเราตั้งจิตของเราไว้ตรงอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นการฟังด้วยความชอบวันนี้อาตมาภาคได้ยกพาสิทธิ์ขึ้นเป็นหัวข้อธรรมว่าจิจโฉมนุสสปฏิลาโภ กิจชังมัดจานะชีวิตตังกิจโฉพุทธานมุกปาโทกิจชังสัต์ธรรมมัดสิสวังหัวข้อธรรมสี่ประการอันได้แก่การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นถือว่าเป็นโชคเป็นวาสนาอย่างยิ่ง การที่มีชีวิตอยู่วันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยความสะดวกสบายมีชีวิตอยู่ด้วยความลาบากและเป็นไปได้ยากในเรื่องของชีวิตจึงว่าวันนี้ เรามีชีวิตอยู่ถือว่าเป็นความโชคดีของเรากิจโฉพุทธานมุปปาโทโลกที่เต็มไปด้วยความมืดมนไรสารละไรแก่นสารถ้าเทียบกับโลกภายนอกมีตั้งแต่ความวุ่นวายมีตั้งแต่ ความเล่าร้อนแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกนี้ถือเป็นความโชคดีของโลกเพราะพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนำความสว่างมาให้แก่โลกนำความล่มเย็นมาให้แก่โลกนำความสุขมาให้แก่โลก นั้นคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นมาด้วยความง่ายดายเราก็เคยได้ยินการสร้างบารมีของดวงจิตเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นการสร้างบารมีที่ทําด้วยความยากต้องใช้วิริยะอุตสาหะ ใช้กําลังใช้ปัญญาจึงจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกแต่ละพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแต่พวกเราก็ถือว่าโชคดีเพราะเกิดในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลก เป็นบุคคลที่ดีเลิศที่สุดในโลกไม่ใช่เฉพาะโลกมนุษย์เราเท่านี้ยังสูงกว่าหรือเหนือกว่าเทวโลกมารโลกพร ม, มโลกจึงว่าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ตลอดถึงอินพรหมนั้นจึงว่าเป็นบุคคลที่ดีเลิศที่สุดในโลก และจะเป็นบุคคลที่ดีเลิศที่สุดในโลกได้ไม่ใช่เป็นไปด้วยความง่ายเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกนำธรรมะมาสอนโลกคือความเป็นจริงที่มีอยู่จึงเรียกว่าพระัธรรม ได้แก่คําสอนตามหลักความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตัดสโรเรียกว่าพระสัทธรรมมาโคบคู่ ก, กันกับพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจึงมีพระสัทธรรมนี้มาสอนโลก พวกเราจึงถือว่าเป็นบุคคลที่โชคดีได้ยินได้ฟังพระสะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุโดยผลคือหัวข้อธรรมสี่ประการนี้ที่จะได้อธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับฟังในวันนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสติปัญญาและเพื่อเป็นมงคลต่อหัวใจของเราการเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่เกิดมาด้วยความง่ายดังเราจะเห็นว่าถ้าเทียบกับ สัตว์ทั่วไปแล้วมนุษย์เหล่านี้ยังมีจำนวนที่นับได้ว่ากี่คนกี่คนแต่ในกำเนิดแห่งสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นพบพบในโลกมนุษย์เหล่านี้มันเทียบกันไม่ได้เลยมากมายของแต่ละชนิดชนิดนั้นจนนับไม่ได้ เน่แค่เทียบกับสัตว์ดิร่ฉานเท่านั้นมนุษย์เรานี่ถือว่าน้อยสัตว์แต่ละประเภทมีดวงจิตเหมือนกันหมดแล้วยังพบภูมิที่เรามองไม่เห็นอีกในแก่เปรตอสุรกายสัตว์นรกเป็นต้นยิ่งมีจำนวนมหาศาลนับไม่ถ้วน แต่นี้พวกเราก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วโดยรูปพระธรรมเหมือนกันอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าโดยรูปพระธรรมเป็นรูปล่างกายเหมือนกับพวกเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมประกอบกันแล้วจะเกิดมาได้อย่างไงไม่ใช่ว่าหลงทางมาเกิด มีสิ่งที่พาให้มาเกิดได้แก่บุญและบาปบุญเพียงพอคือความดีที่ได้เกี่ยวข้องหรือได้กระทำแล้วเพราะเราไม่ใช่จะมาเกิดเฉพาะณนะปัจจุบันนี้เกิดมาแล้วนับไม่ถ้วนท่านว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลาย ของแต่ละกับละกับที่ผ่านมานี้นับไม่ท้วนเลยและแต่ละภพชาตินี้เราสั่งสมอะไรบ้างทำอะไรไปป้บ้างท่านเรียกว่ากรรมคือการกระทำย่างเช่นนะปัจจุบนันนี้การกระทำมีสองอย่างมีทำดีและทำชั่วสองอย่างนี้ ทำดีคือทาในสิ่งที่ถูกต้องทาให้เกิดความสุขความสบายทาให้เกิดความอิม่มนั้นคือความดีความชั่วคือทาแล้วเกิดความเศร้าหมองทาแล้วเกิดความวุ่นวายทาแล้วเกิดความทุกข์นั้น คือกรรมชั่วคือการกระทำที่ชั่วทั้งสองประการนี้เมื่อเราได้เกี่ยวข้องแล้วด้วยเจตนาคือตัวการภายในจิตนี้เป็นตัวเจตนาบ่งถึงว่าดีและชั่วได้แก่อุปสลุกกรรมและอักขุปสกรรมสองประการ อยู่ภายในนี้ส่งผลให้เมื่อการกระทําเกิดขึ้นแล้วย่อมสัมผัสลงที่ใจเรียกว่าเหมือนหว่านพืชลงในพื้นดินนั่นเองจะมีกี่พันก็ตามเมล็ดพืชที่เราหว่านลงในพื้นดินกี่ชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้ มีความแตกต่างกันเมื่อหว่านลงไปในพื้นดินนี้เมื่อถึงการถึงเวลาแล้วท่านเรียกว่ามีเหตุปัจจัยพร้อมก็จะสามารถงอกเงยขึ้นมามีน้ามีความชุ่มชื่นมีความอบอุ่นมเมล็ดพืชก็จะแตกขึ้นมาเป็นต้นไม้ชนิดที่เราหว่านลงไป กรรมดีและกรรมชั่วทำแล้วลงที่ใจสั่งสมลงในตัวโลกคือดวงจิตของสั์โลกทั้งหลายถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันก็ลงที่ใจเหมือนกันจึงว่าทั้งดีทั้งชั่วรวมลงไปในตัวโลกคือใจนั่นแหละท่านว่าเมื่อถึงการถึงเวลาแล้ว เอปัจจัยพร้อมที่จะงอกเงยขึ้นมาก็จะงอกเงยขึ้นมาเป็นต้นไม้ชนิดนั้นๆที่เราหว่านลงไปฉะนั้นกรรมดีและกรรมชั่วสองประการนี้อยู่ภายใน ด, ว, ในดวงจิตของเราทุกตัน้นทุกคนนี้ตายแล้วก็ไม่ได้สูญไปที่ไหนยังฝังแน่นอยู่ในดวงจิตต น, นี่ฉะนั้นเมื่อ คำสองประการนี้ดีและชั่ววันหนึ่งที่เกิดขึ้นในดวงใจของเราแต่ละวันวันนั้นเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนนี้การเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าได้มาด้วยความที่เราได้สั่งสมคุณสมบัติเอาไว้แล้วเรียกว่ามเมล็ดพืชแห่งความเป็นมนุษย์เราได้ทําไปแล้ว นั้นคือศีลและก็ธรรมศีลห้าประการธรรมะห้าประการดังที่เราจะเคยได้ยินในฝั่งเบนจะศีลเบนจะธรรมศีลห้าธรรมห้าที่เราได้กระทาไปแล้วเป็นแม่พืชแห่งความเป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษ ย, ยธรรมคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์ เว้นจากการเดียดเดี่ยนรักชอบประพฤติผิดประเพณีพูดคำหยาพูดปดหมดเท็จพูดสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นความจริงนี่เรางดเราเว้นเว้นจากการดื่มกินสุราเมลัยเป็นต้นนี่เป็นพื้นฐานที่เราได้สมาทานเรียกว่าวานลงไปในดวงใจของเรา ถ้าหากไม่ได้วานมเมล็ดพืชชั้นนี้ไว้แต่ละวันอย่างณนะปัจจุบันนี้เราลองพิจารณาดูว่าโอกาสที่ใจของเราจะมาละเลึกนึกถึงเรื่องของศีลห้าประการเรื่องของทำความเมตตากรุณาหมทิตาและทำจิตของเราให้มีความเห็นที่ถูกต้อง มันเป็นไปได้ยากแค่ไหนของแต่ละวันละวันความคิดที่ไร้สาระความคิดปรุงแต่งความรู้สึกที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงตัณหาหรืออวิชชาภายในจิตใจของเราแต่ละวันทั้นมากขนาดไหนนับไม่ได้เลยตามที่ท่านว่าความชั่วหรือกิเลสทั้งพันหา้าตัณหาทั้งร้อยแปที่เกิดลุ่มเล้าอยู่ทั้ง ตาหูจมูกล่นกายและจิตใจของเรามากขนาดไหนนั้นเป็นเหตุแห่งความชั่วเป็นเหตุแห่งสัตว์เดชฉานเป็ดอสุรกายทั้งนั้นเมื่อมีความโกรธไม่มีสติยับยั้งฆ่ากันได้เห็นไหมสัตว์ทั้งหลายที่เขาไม่มีการยับยัง้งไม่พอใจก็เบียดเบียนกันอย่างนี้เป็นต้นนั้นเป็นเครื่องหมายของสัตย์เดชฉาน และความโลภในจิตใจของคนเราหาประมันไม่ได้แต่ละวันละวันคิดเอาสิ่งน้อนสิ่งนี้จนเลยขอบเขตไปเป็นการเบียดเบียนกันเรียกว่าเอาเปรียบเอาลัดกันตลอดเวลาเห็นไหมอย่างโลกปัจจุบันเป็นเรื่องของเตดของปีกกินไม่อิ่มทั้งนั้นนั่นเรื่องของ ชาติราจาหรือเปรตอยู่ภายในใจของคนเรามันคิดมันนึกปรุงแต่งขึ้นวันละมากน้อยขนาดไหนจึงว่าการที่จะเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นไปได้ยากมากเลยแม้กระทั่งในจิตใจของเราแต่และ ว, วันละ ว, วันนี้ยังหาได้ยากนั้นบุคคลที่ได้มาเกิดแล้วเป็นมนุษย์ถึงถือว่ามีความโชคดีในเบื้องต้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลาย เพราะการเกิดเป็นมนุษย์โอกาสที่จะได้สังสมหรือทำสิ่งที่ดีเลิศให้แก่ชีวิตตามที่ดวงจิตปรารถ n านั้นเป็นไปได้สูงมากและมีโอกาสที่จะสำเร็จได้ในสิ่งที่ดวงใจปัตถนาได้แก่ความสุขทุกสัตว์ทุกประเภททุกทุกดวงจิตดวงใจปรารถนาสิ่งเดียวกันคือความสุขเหมือนกันหมดเลยแต่เมื่อดวงจิตอนั้นถูก ผักดันด้วยกรรมคือกรรมกรรมชั่วแล้วให้ไปเกิดเป็นสัตว์ไร้สานเปตอสุรกายสนนรกไม่มีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่จิตใจปรารถนาคือความสุขให้สำเร็จได้เลยนั่นแหละจึงว่าเป็นภพภูมิที่อาภัตแต่มนุษย์เรามีความโชคดียังมีโอกาสที่จะสังสมเอาสิ่งที่จะทำให้ ความสุขดังที่ใจของเราปรารถนานั้นให้สําเร็จได้และยังสามารถที่จะส่งเสริมภพภูมิที่ดีขึ้นภายในตนเองได้แก่สุขคโตแม้จะเป็นโลกที่ไปเสวยเป็นเทพบุตรเทวดาเสวยความสุขอันเป็นทิพย์ก็ตามก็มีโอกาสที่จะทําให้สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงพรห ม, มโลก มีความสุขที่ละเอียดปอนนีตขึ้นไปสามารถที่จะทำได้ในความเป็นมนุษย์อันนี้จึงถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นวาสนาทีนี้การที่จะเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทีนี้ในเบื้องต้นเกิดแล้วพีนี้การที่จะเกิดเป็นมนุษย์โดยการกระทำนั้นมันก็เป็นไปได้ยาก เห็นไหมโลกปัจจุบันนี้ศีลห้าหารมีได้สักกี่คนบ้างการที่จะทำให้การเกิดของเราคือเป็นผู้ประเสริฐนั้นเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั่นมันไม่ใช่ว่าเกิดได้ง่ายๆฉะนั้นบุคคลใดที่ทำคุณสมบัติอนี้ให้เกิดขึ้นในตน เรียกว่ามีสีหน้าในเบื้องต้นต น, นี้ถือว่าทำความเป็นมนุษย์ให้เกิดขึ้นโดยการกระทำและโดยจิตใจเน้แทกขึ้นมาไม่ได้ปล่อยให้จิตอ น, นี้มีสังสมอเมเล็ดเพื่อตั้งแต่สัตย์เดฉานเปิดอสุรกายเข้าสู่ใจ จะไม่ถือว่าเป็นความโชคดีในการเกินเป็ดมนุษย์เลยในเวะละที่สองท่านจึงว่าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นมนุษย์แม้กระทั่งรูปกายยังมีความพิเศษกว่าคนอื่นและเกิดในเวร ะ, ะที่สองคือเกิดในด้านจิตใจที่เรียกว่าฟักไฟเพื่อ ทำความดีเพื่อความพ้นทุกข์ได้ออกบรรพชาอุปสมบทตั้งใจประพฤติศีลสมาธิปัญญาและฌานให้เกิดขึ้นนี่แหละเป็นฝ่ายดีล้วนๆอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกัน บุคคลที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ที่แท้จริงด้วยการกระทำก็คือมีศีลห้าประการที่เราได้ยินได้ฟังและสมาทานไปนั่นเว้นจากการเบียดเบียนรักชอประพฤติผิดพูดปดมดเท็ดสำราดเพลเจอร์ดื่มกินสุราเมลัยเป็นต้นนี่ห้าประการนี้ ถ้าเราไม่รักษาจะเกิดอะไรขึ้นไม่งดเว้นเรียกว่าทางกายทางวาจามันก็เป็นเหมือนสัตว์ทิรไจฉานทั่วไปหรือเปรตอสุรกายเรียกว่าทุกขติแม้ในร่างกายแห่งความเป็นมนุษย์นี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นมนุษย์แต่ร่างกาย การกระทาเป็นสัตว์จิร่ฉานหรือเป็นยักษ์เป็นมารเป็นเป็ดเป็นผีเป็นสัตว์นรกตั้งแต่ความประพฤติทางกายวาจาตลอดถึงทางใจฉะนั้นบุคคลที่มีการงดเว้นเรียกวันละจะทำยังไงจึงจะงดเว้นจึงจะละได้ท่านว่า การที่เราจะงดเว้นต้องมีองค์ประกอบสี่ประการข้อที่หนึ่งได้แก่สติสังบละคือเป็นบุคคลที่รู้รู้ตนเองสติคือความละลึกรู้ทางกายทางวาจาและรู้ทางใจ คำว่ารู้อันนี้นั้นหมายถึงว่าการเกิดของพระพุทธเจ้าเหมือนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในดวงใจของเราแม้ความนึกความคิดที่เกิดขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายเป็นอะไรก็ตามเป็นล้านๆเป็นโกดๆและนับไม่ได้ ไม่วิเศษเท่าพระพุทธเจ้าบุคคลเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นมาแล้วประเสริฐและวิเศษที่สุดอารมณ์ที่หลากหลายภายในจิตของเราเรียกว่าศูนย์เปล่าทั้งนั้นพุทธโธคือพระพุทธเจ้าได้แก่พุลุปรากฏขึ้นในดวงจิตของเราขณะหนึ่งเท่านั้นมีคุณค่ามหาศาลต่อดวงใจ และนนี้จึงว่าเกิดในเวะละที่สองเกิดด้วยคุณสมบัติที่จะทําให้เป็นมนุษย์ได้แก่ความเป็นผู้มีการงดเว้นเรียกว่าละอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีด้วยความเป็นผู้มีสติสังวร น, นั่นคือาศีลภาษาพระท่านเรียกว่าสังวรหรือสังวรละ มีความสังวรในศิกขาบททั้งหลายสังวรแปลว่าความสำรวมมิให้มันเกิดขึ้นมิให้การเบียดเบียนเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทาง จ, จิตใจด้วยความโลภมันเบียดเบียนคือเกิดขึ้นในจิตความโกรธความโมโหโทโสเกิดขึ้นในดวงจิตและความไม่รู้ตามเป็นจริง จึงเกิดความอยากความเิ้นลนของจิตใจเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเรารู้นั้นเรียกว่าองค์ประกอบในเบื้องต้นที่จะทำให้ใจของเรานี่ละเพราะอะไรท่านว่าเหตุเกิดที่ไหนผลเกิดที่นั่นเหตุแห่งความชั่วเกิดขึ้นในใจคือมูลเหตุของ บาปทั้งหลายมูลเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายเรียกว่าความโลภที่ท่านเรียกว่าโลภะท้สะคือความโกรธโมหะคือความหลงมูลเหตุของความชั่วทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเมื่อ มันเกิดขึ้นที่ใจผลมันก็ย่อมเห็นที่ใจความโกรธเกิดที่ไหนเกิดที่ใจท่านจึงว่าแล้วมันให้ผลที่ไหนก็ให้ผลที่ใจของเราคือความร้อนเมื่อมันมีความร้อนเหมือนไฟไหม้ถ้ามันมีกำลังมากใครก็เข้าใกล้ไม่ได้ แล้วตัวของตัวที่เป็นต้นเหตลุล่ะมันจะร่อนขนาดไหนท่านจึงว่าเป็นของร้อนให้ผลเป็นทุกข์ดิ้นลนกวนกวยแต่เมื่อเรามีสตินั่นเรียกว่าสติคือความระลึกโลกในตนเองท่านเรียกว่าสติสังวรสังวรละส้ำรวมด้วยความเป็นผู้มีสติความระลึกโลก ท้งกายวาจาและใจมันจะเห็นว่าเป็นโทษจริงๆเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความทุกข์จริงๆเราจะมีความเพียรท่านเรียกว่าวิริยะสังวรมีความเพียรที่จะดับมีความเพียรที่จะระ ง, งับในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อมาให้มันมีกำลังลุกลามต่อไป ข้อที่สองได้แก่ยานะสังวรมีความสั ง, สงวรในความลกูกยานะแปลว่าความลกูกเมื่อมีความระลึกได้เท่าทันเรามีความลกูกให้สร้างความรู้อนั้นขึ้นมาสังสังวรแปลว่าความสังวรในความรู้ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละโอกาสที่ ความชั่วความเสียเปรตอสุรกายสัตว์เดียสารที่จะเข้าสู่ดวงใจของเหล่านั้นเป็นไปได้ยากเนี่ยเราสร้างความเกิดวันนี้ได้แก่ความเป็นมนุษย์แล้วเราจะเห็นความโชคดีประการที่สาวิริยะสังวรมีความเพียรที่จะละักที่จะวางที่จะงดที่จะเว้นที่จะบังคับมิให้มันแสดงออก ข้อที่สี่คือขันติสังวรในทุกอย่างมีความอดทนอดกลั้นมีการบังคับบัญชาในตนเองสีประการนี้เราจึงจะเห็นความขึขึ้นของมนุษย์ในใจของเราเรียกว่าวัละที่สองนั้นถือเป็นความโชคดีแล้ว ในพ่อภูมิแห่งความเป็นมนุษย์ถ้ายังไม่มีสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นความโชคดีที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดมาแล้วดำรงชีวิตอยู่ด้วยความวุ่นวายแต่ละท่านละคนมันไม่วุ่นวายได้ยังไงมันมากมายอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่ามากเท่าไหร่จนไม่มีเงื่อนเลยจับไม่ได้ว่ามันคิดมันปรุงมันแต่มมัน มีความรู้สึกอะไรบ้างแต่ละวันเราจะทำตามอะไรบ้างทีนี้คนเราอันนี้เกิดขึ้นจะทำตามจึงว่าวิ่งว่นอยู่จะทำตามอะไรบ้างในเรื่องหัวใจของเราท่านจึงว่าการกระทำเลยไม่มีขอเขตทางกายทางวาจาทางใจเพราะวิ่งตามความอยากความดิ้นหลนภายในจิตใจ แม้แต่ความอยากภายใน จ, ใจิตใจท่านเรียกว่าตัณหาก็ยังมีทั้งกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นยากพักสิ่งที่มันมีแล้วเป็นแล้วให้มันออกไปจากตัวของตัวไม่อยากให้เป็นไปเช่นนั้นแล้วทั้งอย่างเงินหลักความโลภความโกรธความหลงความงดหิตรำคาญความ พยาบาทอาฆาตอิจฉาเลสเสียามากมายเลยภายในจิตใจทั้งการสัมผัสรับรู้ทางตาทางหูทั้งจมูกมันมากมายขนาดไหนแล้วทีนี้จิตใจถ้าไม่มีหลักมันก็สิ่งเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นภายในจิตใจแทรกแซงกันขึ้นมาจะทําตามอะไรบ้างคนเราจึงทําตามความรู้สึกที่มันเป็นอยู่จึงว่าความรู้สึกอันนี้กลายเป็นได้มาจาก คำว่าทิฏฐิความเห็นและอัตราตัวตนเท่านั้นมันจึงเป็นความเห็นที่ทำให้เกิดการกระทาที่ผิดเพี้ยนไปจากความถูกต้องจึงว่าไม่มีคุณภาพเรื่องของมนุษย์เราเป็นร่างคนหรือเป็นมนุษย์ตั้งแต่ร่างกายนี้เท่านั้นแต่เมื่อเราเหนี่ยวน้อมกายของเราเข้าวันนี้ มีชีวิตอยู่มีลมหายใจเป็นไปได้ ย, ยากดนาะที่จะมีชีวิตมาได้ถึงวันนี้เราลองเทียบดูว่าแม้เกิดเป็นมนุษย์แล้วย อ, ยยยอยากอยู่ได้ถึงร้อยปีก็เป็นไปได้ ย, ยากอยากอยู่ได้ถึงขั้งสิบปีก็ยากแปดสิบปีก็เป็นไปได้ ย, ยากไล่ลงมาเรื่อยๆ เ, เกิดมาวันหนึ่งตายก็มีที่จะมีชีวิตอยู่วันนี้และมีชีวิตมาถึงนับปัจจุบันนี้ จึงว่าถ้าเป็นความโชคดีของวันนี้คือเราได้ทำสิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นในวันนี้ในขณะนี้ได้แก่ความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นในใจนั่นคือหรือพุทธโธเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นมีบุคคลมีสระนัคือมีศาสนาจึงว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสระนเครื่องยึดหรือเป็นหลัก ไม่อย่างนั้นใจที่มันมีตั้งแต่ความแสบสายไม่รู้เรื่องอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราแยกไม่ออกเลยจึงทำตามทุกสิ่ง ท, งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่จึงว่าใจนี่ไรคุณค่าไรสาระเพราะมีตั้งแต่ความทุกข์เขตแห่งความทุกข์ทั้งนั้นที่สร้างขึ้นมาได้แก่สมุ ท, ทยัยคือตัณหาทั้งหลายยิ่ง โลกมีความเจริญเรียกว่าวัตถุมีตั้งแต่วัตถุที่มีความปรุงแต่งวัตถุก็เป็นกามจิตใจของเรากลายเป็นคิดเรียกว่ามีความยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั้นใจนี้จึงเรียกว่าดิน้นรนเรียกว่าร้อนรุ่มเรือตลอดเวลานั่นแหละทั้งสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้มีความ โซ่หมมเรียกว่าโซคปบุกเป็นปสัตว์เลี้ยงางเป็นสัตว์ร่างกายไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมนุษย์แต่ว่าผู้ประเสริฐดังที่พูดมีแต่ความเข้ากันมีทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันส่วนมากแล้วส่งเสริมตั้งแต่เหตุแห่งความชั่วความเสียในตัวของเราของแต่ละท่านละคนนี้มากมายขนาดไหนแต่เรา ไม่เห็นฉะนั้นเรียกว่าปล่อยเปิดทั้งหมดเลยทางตาท้งหูทั้งจมกูกทั้งเล่นเราไม่รู้เลยว่าอะไรเข้ามาบ้างแล้วมันจะดีได้ยังไงใจของคนเราเห็นไห ม, ค ว, มความโลภเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นอิจฉาฤทธิ์ยาพยาบาทเราไม่ได้เห็นเลยมันมีอำนาจเหนือจิตใจของเร า, าการกระทำจึงเป็นไปด้วยความ รู้อำนาจแก่โลภะโทสะโมหะรู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาทั้งหลายโลกนี้จึงเป็นอย่างนี้คนเราจึงเป็นอยู่เช่นนี้แต่เมื่อเรามีการประพฤติปฏิบัติอย่างที่ผู้เรวยนสัจธรรมมัตสวนณะนำพระสัจธรรมคำสอนรพระพุทธเจ้าให้ท่านสอนให้มีอะไรเป็น ใจความสำคัญสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายละเสียซึ่งเหตุแห่งความทุกข์ละเสียซึ่งความชั่วหรืออกุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นและที่มีอยู่ภายในตนเองนี้และทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปและทำใจของเราจิตใจของเราทำละจิตใจของเราด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยข้อวัดข้อปฏิัติจะบ่งบอกถึง ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อย่างที่พูดมานั้นเบื้องตอน้นเมื่อเรานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักในในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตในของแต่ละวันที่เกิดขึ้นมานี้ถ้าไม่มีพุทโธคือพระลูกได้แก่สติคือธรรมะพุทโธแปลว่าพระลูกเรารู้สติความและวร ร, รู้เป็นธรรม ถ้าเรียกว่าเป็นธรรมะมาเป็นหลักในตนเองเราจะล่องลอยจากวันหนึ่งลมหายใจหนึ่งหมดไปหมดไปเฉยๆฆ่าเอาชีวิตของเราไปมันหมดไปหมดไปหมดไปมันไม่ได้มีความประเสริฐ อ, อย่างที่เราพูดไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะได้เป็นสิ่งที่เราหมดไปเราจะเหลือเวลาที่อาศัยร่างกายนี้แห่งความเป็นมนุษย์นี้อยู่มากเท่าไหร่คำว่า มนตสัพติลาโภมันมีแต่คํำค่าไปเรื่อยลากเราเข้าสู่ความคํำค่าความทุกข์ก็ถูกกดทับทำให้จิตใจของเราแบกหามอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันไม่ได้มีคำว่าประเสริฐเลยนอกจากว่าเราจะสร้างนะัสร้างความประเสริฐขึ้นในเบื้องตอน้นคุณสมบัติอันนี้ให้เกิดเป็นมนุษย์ที่แท้จริงคือเป็นผู้มี ศีลคือการละเว้นงดเว้นดังที่พูดมานี้ในแต่ละวันแต่ละขณะเปรียบเทียบได้ข้อหนึ่งอย่างนั้นว่ามันเกิดขึ้นที่ตัวของเรามันก็ไม่ที่ตัวของเราก่อนเหมือนไฟและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเหมือนไฟมันสมมุติว่าวาจานั้นเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดโทษ มันก็ออกมาจากใจของเรามันก็ออกจากปากของเราแล้วมันก็เข้าหูเราย้อนเข้ามาที่ใจของเราให้เราคิดอย่างนี้เราจะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นหรือคนอื่นมาเบียดเบียนเราเราก็ารู้จักให้อภัยเพราะอะไรเพราะเหตุมันอยู่ในตัวนี้เมื่อมันออกจากปากมันก็เข้าหูเข้าหูแล้วก็เข้าสู่ใจ เข้าหูใครก่อนก็เข้าหูเราเพราะปากเราก็อยู่ใกล้หูเรานิดเดียวื่อคิดอย่างนั้นเราจะมีความระมัดระวังที่นี่นั่นแหละเราจะเริ่มเห็นและที่นี่ฉะนั้นเมื่อองค์ประกอบสี่ประการนี้มีความสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เราได้เห็นนั้นได้แก่คุณธรรม เป็นสิ่งประกาศได้แก่ความเมตตาที่นี่โอ้ความทุกข์เป็นเป็นที่นี่เราจะเมตตาตนเองมันจะไม่สร้างความชั่วความเสียหายเมื่อมันมีอยู่จะพยายามละในทุกขณะทุกขณะท่านเรียกว่าส ม, มบัติทานสี่ประการจะมีความเพียรละความชั่วจูดทุกยิทธยาบทจะมีความเพียรละมัดระวังมิให้มันเกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจเราได้อีกเลย จึงเป็นผู้มีสรณะคือมีเครื่องอาศัยทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่าเป็นผู้มีศาสนาเป็นเครื่องอบรมหรือค้ำจุนหรือผักดันเราให้ส่งเคลื่อนจากคําว่ามนุษย์ทั่วไปเป็นมนุษย์ที่แท้จริงแหละทีนี้เรียกว่ามนุษย์โสเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐจะเห็นความโชคดีเพราะเป็นเครื่องประกาศว่า มีความสุขดังที่ใจของเราปรารถนาเราไม่เบียดเบียนตัวของเราด้วยความโลภความโกรธใจเราก็เย็ยนถ้าความโลภโกรธหลงมันเบียดเบียนจิตใจของเรามันร้อนจากสิ่งที่ ย, วยุวายุสัมผัสทางตาทางหูเราไม่ได้รับรู้หรือไม่ได้สังวรหรือเรียกว่าไม่มีผู้ คัดแยกท่านเรียกว่าไม่มีธรรมเป็นเครื่องกางกัน้นหรือว่าเป็นหลักปักลงไปภายในจิตใจทําดีได้ดีชาชั่วได้ชั่วเราจะละความชั่วปักลงไปภายในจิตใจดังที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกพระธรรมปักลงไปทางตาเข้ามาทั้งหูเข้ามาจมูกเลี้ยกายรู้เห็นหมดเลยนั้นแปลว่าเป็นผู้เกิดแล้วด้วยคือพระพุทธเจ้า หรือความเป็นมนุษย์คือผู้โลกได้เกิดขึ้นมันจะมีความเมตตาตนเองไม่ปรารถนาความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเลยจึงว่ามีความเมตตาสงสารตนเองและจะสงสารคนอื่นแต่นี้เมื่อมีความเมตตามันจะมีการให้แปกว่าให้สิ่งที่ดีแบ่งปันสิ่งที่ดี ให้ความสุขแก่กันไม่ได้ให้ความทุกข์แก่กันเลยออกจากตัวของเรายื่นให้คนอื่นเป็นไฟคนอื่นรับไปก็เป็นไฟยื่นความโซคปกให้คนอื่นคนอื่นรับไปก็โซคปกต่างคนต่างมีแต่ความโซคโปกเหตุแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเหตแห่งความบุ่นวายทั้งนั้นในโลกนี้เราไม่หยิดยืนให้มันก็สงบลงไปเห็นความสงบเยือกเย็นลงไปภายในจิตใจของตอนเอง นี่แหละเมื่อเราทำให้มีความสมบูรณ์อย่างที่พวกเราทำทั้งหลายทำอยู่นะปัจจุบันนี้ในทุกขณะทุกเวลาอย่างที่พูดว่าวันนี้เราจะสร้างความโชคดีให้เกิดขึ้นไม่ปล่อยให้วันเวลามันสูญไปโดยเปล่าประโยชน์หรือสูญเปล่าแต่เรามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีศรรมีลหมมีสติอย่างที่พูดมีความรู้ มีความเพียรและมีความอดทนอดกลั้นเหล่านี้เป็นเครื่องป้องกันมันจะค่อยมีกำลังขึ้นรวมกันรวมกันเข้ามาเรียกว่าเป็นความสงบของจิตใจความไม่กวลกระวายความเยือกเย็นความซาบผ่องใสในใจของเราก็ผ่องใสรู้สึกมีความผ่องใสรู้สึกมีความ เบาสบายนั่นคือผู้ทำให้วันนี้เรียกว่าเป็นวันที่โชคดีได้สมาทานศีลรักษาศีลได้ทำความดีได้ไหว้พระด้วยสดมนซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าเป็นแบบแปนแผนผังของกายของวาจาที่จะทำให้มีความเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้น นั้นจึงจะได้ชื่อว่าเป็นโชควา ส, สนาแต่ถ้าหากขณะไหนเราทําลายนี้ด้วยกิเลสความโลคความโกรธอวิชชาตันหาอุปทานที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งละครั้งนั้นเป็นการทําลายสมบัติอันล้ําค่าคือความเป็นมนุษย์แม้แต่กายนี้ก็ได้ชื่อว่าเราทําลายเป็นผู้มีกายที่เสียวาจาที่เสียจิตใจที่เสียเสียหมดเลยทั้งทั้งคนทั้งตัวนี้ น่าจะมีอะไรถึงการถึงเวลาแล้วก็แตกสลายไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมตามเดิมไม่ได้มีอะไรเลยวิเศษขึ้นมาเลยเหมือนกันจะมีอะไรมากมายแค่ไหนก็ตามมีอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรเป็นของวิเศษเลยในการเกิดเป็นมนุษย์เช่นไหมมีเงินตั้งร้อยล้านพันล้านมีความสุขได้จริงไหมแล้วเมื่อถึงเวลาสุดท้ายมีอะไรบ้างเป็นสมบัติของตน ยังอยู่เหมือนเดิมบ้านยังอยู่เหมือนเดิมสมบัติก็ยังอยู่ในโลกอันนี้เหมือนเดิมนั้นแต่ถ้าทำชั่วทำเสียแล้วยังไงก็เป็นคนชั่วคนเสียให้ผลเป็นทุกข์ได้อย่างนั้นไม่มีอย่างอืงอ่นเลยเพราะเหตุมีอย่างนี้ผลมีอย่างนี้ความจริงเป็นอย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วนาธรรมนี้มาสอนพวกเราท่านทั้งหลาย ฉะนั้นเมื่อเรามีความตั้งอกตั้งใจวันนี้เราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเรียกว่าทำสติให้มีความต่อเนื่องต้นหลอดไปทำความรู้เรียกว่าญาณสังวรละเล็ดแลว้วก็รู้ในทุกอย่อยางหในภาษาธรรมะท่านจึงเรียกว่าภาวนา เรามีศีลการงดเว้นเรามีภาวนามีพุทโธประจำจิตประจำใจก็คือสร้างสติสัมปัชัญญะให้ลกูกในเรื่องของจิตและละกัละอารมณ์ละสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจในดังที่พูดนั้นให้มีพุทโธเกิดขึ้นมีพุทโธเกิดขึ้นเป็นนา ม, มาธรรมได้แก่ความระลึกหรือสังขารความคิดนึกปรุงแต่ ให้เป็นอารมณ์แห่งธรรมเกิพุโทโธปรากฏขึ้นพุโทโธปรากฏขึ้นอย่างที่พูดเราจะมีความประเสริฐประเสริฐในโลกอันนี้ไม่มีใครจะเสมอเหมือนได้จึงว่าบุคคลที่ทําพุโทโธเอานามของพระพุทธเจ้ามาให้เกิดขึ้นในดวงจิตของเรานี่นั่นแหละจึงถือว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นวาสนาของเรา ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นของที่เราจะมองข้ามนะเราความคิดมากมายอย่างที่พูดสัตว์ยรฉานเปรอสุรกายสัตว์นรกจะเกิดขึ้นมากไม่ได้มีความหมายหรือไม่ได้มีความประเสริฐเลยถ้าพุทโธเกิดขึ้นในดวงจิตของเราขนาดหนึ่งขณะหนึ่ ง, งจากที่เราคิดนึกปูงแต่งจนสามารถรวมเป็นอันเดียวกันกับตัวโูกได้เรียกว่า รวมพุโทโธนี้เป็นพุโทโธที่เกิดขึ้นมาจากภายในผลขึ้นมาจากในดวงจิตของเราไม่มีอย่างอื่นแทรกแซงเลยมีแต่พุโทโธเต่นชัดและใจของเราไม่ได้ยินดีไปในโลกเสียงกลิ่นโลกสัมผัสเรื่องอะไรต่างๆทั้งหมดมันดับไปหมดเหลือตั้งแต่พุโทโธที่เป็นขึ้นมาจากภายในเรียกว่พุโทโธเกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นแหละเราจะเห็น ความประเสริฐเกิดขึ้นในขณะนั้นเรียกว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีที่สุดแล้วในชีวิตแห่งความเป็นมนุษย์และพบชาติแห่งความเป็นมนุษย์นี้วันนี้เป็นวันที่มีความประเสริฐที่สุดถ้าพุทธโธนี้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจเรียกว่าใจเป็นพุทธะหรือใจเป็นพุทธโธเกิดขึ้นนี้เราจะเห็นความประสบเสริฐหนึ่งเราจะเห็นความปีติปามโมท โอเห็นเหมือนกับเราได้สิ่งที่ดีเลิศวิเศษที่สุดในชีวิตของเราอย่างที่เราไม่เคยได้เราจะเห็นความสุขที่เราไม่เคยเห็นสุขละเอียดประณิตมั่นคงและเบาสบายนั่นเป็นเป็นความสุขที่เราเราจะรู้ได้เองว่า ความสุขอันนี้ดังที่ใจของเราปรารถนามาทั้งไม่รู้กี่ภพกี่ชาติอย่างน้อยวันนี้เราจะได้เห็นความสุขอว่ น, นี้ถือว่าเป็นความสุขที่วิเศษที่สุดไม่มีความสุขอื่นที่จะเสมอได้เราจะได้เห็นในขณะนี้ยังที่ใจของเราปรารถนาะฉะนั้นจึงมีความเพียรและมีความ ด, ด, ดูเติม ไม่มีความยินดีไปในในสิ่งที่จะทำให้เกิดความเศร้าหมองทำให้เกิดความชั่วความเสียทำให้เกิดความวุ่นวายทำให้เกิดความเดือดร้อนเลยนั้นเรียกว่าพุทโธเกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจจากนั้นก็เรียกว่าสติจะมีความสมบูรณ์นั่นแหละคำว่าสติเป็นผู้ที่จะรักษากายวาจาและใจ นิให้ตกไปสู่ภาวะแห่งความชั่วความเสียเรียกว่ามีพระธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันจิตใจของเราไม่ได้ทำให้จิตใจของเราชั่วเสียไปที่ไหนจะมีกำลังมากขึ้นที่นี่ท่านจึงว่ายืนเดินนั่งนอนอินิยาบททั้งสี่ ไม่ได้มีความลุ่มหลงเลื้มัวเมาประมาทเพิดเพลินไปกับกิเลสความรากดหลงความชั่วความเสียทำให้เราเสียเวลาผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีเสียเวลาเลยถ้าความโกรธเกิดขึ้นมันใช้เวลากี่วันสามวันสี่วันก็ยังไม่หายอาทิตย์หนึ่งก็ยังไม่หายเมื่อไปเห็นว่าเราโกรธกับอะไรกับบุคคลผู้ใดมันยังเกิดขึ้นมาได้อีก เขาไม่จิตใจของเราเสียเวลาไหมความโลกเกิดขึ้นเหมือนกันมันเสียเวลาไปกี่วันกี่เดือนเราเราจะเห็นโทษของมันอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นจะพยายามที่จะสลัดโอ้มันเสียเวลาเราจะเสียเวลาทําไมสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับตัวของเรานี้มันยังมีอยู่และมีคุณค่ามหาศาลนี่มันจะฟ้องขึ้นมาไปในใจของตน มันจะไม่เสียเวลาท่านจึงว่าแม้มีความโกรธอยู่แต่ไม่ผูกพยาบาทแม้มีความพยาบาทอยู่แต่มีความเพียรที่จะละไม่ได้นอนนอนใจไม่ได้ปล่อยให้มันมีกำลังในจิตของตนเองนั้นเราเราจะเห็นคําว่าวันนี้ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในจิตจะเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่โชคดีของชีวิตของเรา พยายามนะมีความเพียรพยายามพวกเราท่านทั้งหลายท่า น, นว่าเมื่อสร้างให้พุทโธนี้เกิดขึ้นในจิตจนกลายเป็นพุทโธภายในตนเรียกว่ามีความลูกเด่นอยู่ตลอดเวลาและมีความสงบเป็นพื้นฐานความสุขไม่ต้องไปไปถามหาหละที่นี่ อย่างนัตถิสันติปลังสุขค้งสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าตัดแล้วเราจะเห็นนั่นะว่าความสุขอันนั้นเกิดขึ้นทีนี้เมื่อความสุขอันนี้เกิดขึ้นอย่างที่พูดว่ามันจะมีกําลังเป้าหมายก็คือว่าหนึ่งทำให้จิตใจมันมีความอิ่ม ว่ามีความสงบมันจะมีความอิ่มมีความอิ่มมันจะมีกำลังมีกำลังเพื่อที่จะทำไม่เกิดความรอดโลเรียกปัญญาปัญญานี้จึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าใจมีกำลังมีความสงบเป็นพื้นฐานของจิตใจถ้าอย่างนั้นไม่มีกำลังมันจะมีความลังเลสงสัยเรื่อง ของสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นธรรมะคําสอนที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมันยังมีความสงสัยลังเลเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาอะไรต่างๆนี้ยังลังเลยังปักลงไม่ได้ยังเป็นพุทธมามะกะไม่ได้ยังเป็นผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ยังมีความลังเลอยู่ได้บุญสักเท่าไหร่ทําทานประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เราก็ทำมาทุกอย่างแต่ยังมีความสงสัยลังเลอยู่รักษาศีลเหมือนกันยังยังไม่รู้ว่าศีลที่แท้จริงให้ความสำคัญหรือมีความหมายยังไงต่อตัวของเราบ้างและให้ผลยังไงบ้างเรายังมีความลังเลสมาทานไปกี่ครั้งก็ตามยังมีความลังเลอยู่แต่เมื่อเราสร้างสติของเราให้มีความ มั่นคงเรียกว่ามากขึ้นมากขึ้นจากที่เราไดน้นำธรรมะมาสอนตัวของเราเรียกว่าฟังทำสอนใจของเรามีตั้งแต่ความนึกความคิดไปตามสัญญาอารมณ์ไม่ได้ย้อนทวนกระแสขึ้นมาตามความเป็นจริงของอันนี้จังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นสภาวะความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกนี้เสมอกันหมดสอนเข้ามาหาจิตใจของเรา เราจะเห็นนั่นแหละความความจริงอันนี้เห็นภายใน จ, ใจิตใจนั่นแหละเป็นบนวาสนาเราจะได้ยินตั้งแต่เรื่องของกิเลสมันสอนใจเราให้ทำสิ่งโน้นให้ทำสิ่งนี้เป็นไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มันมันสอนจิตสอนใจของเรา กี่วันผ่านไปจนถึงชีวิตหนึ่งหนึ่งกี่ภบกี่ชาติมาเรายังเวียนไห้ตายเกิดยังทุกข์ยากลำบากกัต้องลับกรรมอยู่อย่างนี้ให้ได้รับผลเป็นเป็นทุกข์และเป็นสุ ข, ขเขาไปทั้งความดีความชั่วที่เกิดขึ้นนี่ภายในจิตใจของตนแต่เมื่อนำความจริงอันนี้มาสอนแล้วมันจะมีความตื่นเลยทีนี้ท่านเรียกว่าพุท ธ, ธ จะมีความตื่นภายในจิตใจไม่ไม่นอนใจไม่มาดไม่มัวเมาเลยคณะหนึ่งที่ได้สติขึ้นมาของวันหนึ่งจะคว้าเลยเรื่องของพระพุทธเจ้ามากำกับในจิตใจของตนให้ได้มากที่สุดมากที่สุดจนรวมกันเป็นอันหนึ่งอย่างที่พูดเมื่อรวมกันเป็นอันหนึ่งสติของเรานี้จะมีกำลังเราจน จนเห็นเรียกว่าความบริสุทธิ์ของสตินั้นคือความบริสุทธิ์ของศีลจะเห็นความบริสุทธิ์ของศีลเรียกว่ายกฐานะจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปจะกลายเป็นมนุษย์ที่ดีเลิวท่านเรียกว่ามนุษย์โสเพราะมีความสงบระ ง, งับภายในจิตใจไม่มีความขุ่นข้องหมองหมวมไม่มี ความนักคิดปรุงแต่งไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดความชั่วความเสียแล้วเราจะเห็นศีลบริสุทธิ์คือสติของเราบริสุทธิ์ญาณคือความรูคก็ ม, มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีอะไรเจือปนและความรู้สึกของจิตเรียกว่ามีความบริสุทธิ์ในอารมณ์ไม่นำสิ่งที่จะทำให้เกิดความขุ่นข้อง ทำไม่เกิดความขุ่นมัวทำไม่เกิดความเศร้าหมองทำไม่เกิดความวุ่นวายเข้าสู่ใจของตนนั่นจะเห็นความบริสุทธิ์ของของจิตใจในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าวิสุทธิธรรมความบริสุทธิ์เราจะเห็นกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ ได้บริสุทธิ์จากอารมณ์แล้วจะมีกำลังนำทิฏฐิความความเห็นอันนี้มาคิดมานึกให้เป็นไปตามสภาวะความเป็นจริงเห็นสภาวะความเป็นจริงความเกิดและความดับของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่จิตของเราไปสํำคัญมั่นหมายและลุ่มหลง มันไม่มีอะไรลยเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเห็นความเกิดและความดับขึ้นพร้อมกันความเห็นนั้นที่จึงสามารถที่จะตัดสินใจลงได้เรียกว่าเห็นตามเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นย่อมมีความดับมันจึงถอนคำว่าอัตตาออกไปได้ และทิฏฐิความเห็นความเห็นอันนี้จะกลายเป็นความเห็นที่ตรงไม่ใช่ความเห็นที่เอียงเอียกและให้ให้เป็นเหตุให้ทำความชั่วความเสียหายเป็นความเห็นที่ตรงท่านเรียกว่าทิฏฐิบริสุทธิ์ให้เป็นความเห็นที่ตรงและทาให้เราท่านทั้งหลายนี้ ถอนคำว่าทิฏฐานสวะเป็นอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจทําให้เกิดความเห็นผิดเรียกว่ามิจฉาบัว ก, กับทิฏฐิเป็นความเห็นผิดและเป็นเหตุให้เกิดการกระทําผิดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นั่นเพราะทําตามความเห็นที่ผิดเพราะความไม่รู้ตามเป็นจริงเรียกว่าทําตามความล้มหลงของจิตใจ มันจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นพบเป็นชาติเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกรับโทษอย่างนี้แต่เมื่อความเห็นนา่นนี้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วคำว่าความลังเลในใจไม่มีการกระทําเป็นไปด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความดี ทางกายเป็นความดีทางวาจาเป็นความดีทางจิตใจคิดนึกสิ่งที่ดีนั่นเนียกว่าเข้าสู่เส้นทางแห่งมรรคเรียกว่าเกิดขึ้นในวราที่สามแน่นอนหละที่นี้มนุษย์ผู้ประเสริฐเกิดขึ้นหรือพุทโธเกิดขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอริยเจ้า นั้นวันนั้นแหละถือว่าเป็นวันที่โชคดีกี่พบกี่ชาติผ่านมาแล้วก็ตามพพชาติปัจจุบันนี้ดีเลิศที่สุดวั น, นวันนี้เป็นวันที่ดีเลิศที่สุดนั่นเราจะเห็นขึ้นอย่างนั้นแล้วก็การปฏิบัติตนเอือการกระทาทางกายวาจาเป็นไปด้วยความถูกต้องท่านเรียกว่ามั่ อยู่ยังไงก็เป็นมัจทางเดินเพื่อความปนทุกข์เราท่านทั้งหลายเระอยู่ยังไงเป็นมัจใหม่ตื่นขึ้นมาเป็นมัจใหม่การใช้ชีวิตของเราของแต่ละวันนี้มันเป็นศีลไหมการใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นธรรมไหมของแต่ละวันละวันนั่นหรืออยู่ในโลกนี้เราจะคิดว่า ทำไม่ได้หรอกธรรมะเป็นของลกของผู้ที่ออกบวชไม่ใช่เป็นของเราทุกท่านทุกคนเป็นของดวงจิตที่ปรารทนาความสุขทั้งนั้นถ้านอกเหนือออกไปจากนี้แล้วเป็นหนทางแห่งความทุกข์ทั้งนั้นฉะนั้นหนทางแห่งความสุขมีประการเดียวที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามักมีองค์แปประการนี้เป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านส่งขนโพเป็นหนทางเดียวท่านั้น ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายแเกียรติตกายฝึกฝนว่าวันนี้ขอให้ทําให้เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราพบชาติปัจจุบันนี้ขอให้ถือว่าเป็นพบชาติที่ดีที่สุดให้มีความเจริญยิ่งขึ้นงางที่พูดดีข้อปฏิบัติ ก, ถก็ถูกท่านเรียกว่ามัคคามัคคปฏิปทาข้อปฏิบุตรบัตไม่ได้รุกล่ ม, มดอนดอนไม่ได้ลูกคํำไม่ได้สงสัยลังเล ก็ปฏิปัติไปได้ถูกอยู่ทุกทุกขณะทุกวันทุกวันเป็นเป็นมัดเป็นการสังสมข้อปฏิบัติที่ดีมีความเจริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิเลสไม่ว่าจะเป็นธรรมะถ้าสังสมอะไรอันนั้นก็จะมีกําลังเรียกว่าเจริญขึ้นอันนี้เมื่อมีความเจริญขึ้นมันจะให้ผลต่อจิตใจของเราเหมือนความดีนั่น มันก็ให้ผลต่อใจเหมือนเราใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ใส่ลงไปในพื้นดินมันก็แปลสภาพไปเป็นรากไปเป็นลำต้นไปเป็นใบไปเป็นดอกเป็นผลให้เราเราก็ได้ใช้ประโยชน์ความดีเหมือนกันเราอยากมองข้ามทุกอยากกันข้อปฏิบัติแนวข้อวัด ที่จะวัดเครื่องแห่งความเป็นมนุษย์ของเรามันไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ตั้งแต่ร่างกายเรียกว่าเป็นมนุษย์ปลอมเฉยๆมีข้อปฏิบัติเป็นเครื่องบ่งบอกคือมีไหว้พระสวดมนต์มีการเจริญเมตตาภาวนาทำบุญทำทานนี่เป็นเป็นข้อวัดให้เราท่านทั้งหลายวัดตัวคุณเราในทุกวันทุกวันนี้จึงมีทำวัดเช้าวัดเย็นจึงมีสวดมนต์ อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขวบวัดอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราดำเนินตามหนทางแห่งความถูกท้องเรียกว่ามักไม่อย่างนั้นมันก็จะคุกคีอยู่กับตั้งแต่เหตุแห่งความทุกข์เรียกว่า ต, ตาลงไปไม่มีใครช่วยเรานะพระเจ้าก็ช่วยไม่ได้ใครก็ช่วยไม่ได้นี่ยนะสร้างมักจะมีความเจริญมันก็จะกลายเป็นมักที่มีกาลัง มากมีกำลังญาณก็เกิดขึ้นเรียกว่าญาณทัศนะความรู้ความเห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นเองภายในจิตใจนี่จากความรู้ธรรมดาเป็นความรู้ที่มีความวิเศษขึ้นมานั่นแหละความรู้นั้นเกิดขึ้นมาจึงจะสามารถทอดถอนหรือว่าละเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในใจเรียกอวิชาตนาอุปทาน ภายใน จ, ใจิตใจมีความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งภพชาติทั้งหลายท่านเรียกว่าราคะหรือการมาคะดันจึงว่าการ ม, มาสวะเป็นเหตุมันจะไม่มีความยินดียินร้ายไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มียิงไม่มีฉาย เป็นสภาวะอันเดียวกันหมดนั่น <c oughs> พบชาติความเกิดเราจะไม่หลงเกิดเพราะความโลภพาให้เกิดคือเกิดความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆที่จะสร้างบาปสร้างกรรมทั้งหลายไม่ได้หลงเกิดอย่างนั้นนั่นพบชาติเราเป็นไปตามความหลงของจิตใจจึงเกิดพบชาตันั่น พบชาตานี้ก็สามารถที่จะถอนได้เพราะเห็นความเกิดและความดับขึ้นมันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นเห็นเข้าไปถึงที่เกิดที่ดับแล้วถอนความเกิดความดั บ, บไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีไม่มีมมอดีตไม่มีอนาคตท่านนิว่าเป็นปัจจุบันปัจจุบันเรื่องของจิตใจ มันมีกำลังท่านจึงว่าญาณทัศนะความโู้ความเห็นหรือศีล ส, สมาธิปัญญาหรือศาสนาทั้งหมดนี้มันจะมารวมเข้าอันเดียวคือมรรคเกิดขึ้นมันก็ถอนโอปาทานความยึดถอนตัณหาความอยากถอนอวิชชาความไม่รู้ ออกไปจากจิตใจของเราได้ก็ถอนความทุกข์ไปจากจิตนั่นถึงเรียกว่าพุทธโธแท้ปรากฏขึ้นใจนั่นเป็นใจที่ประเสริฐถือว่าบุคคลที่มาเกิดเป็นมนุษย์ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าดังนี้ได้ชื่อว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยอเป็นวาสนาอย่างยิ่งของวันทั้งหมดที่มีอยู่เพราะได้เห็นการอุบัติขึ้นของพระเจ้าและธรรมะความเป็นจริงทั้งหลายนี่แหละคือผู้ที่โชคดีอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลาย เราจะเห็นความโชคดีอย่างที่พูดไหมของแต่ละวันที่เราผ่านมาจนถึงวันนี้และในความเป็นมนุษย์ของเหล่านี้เราเห็นความโชคดีกี่ละกี่ร ะ, ะดับอย่างที่พูดนี้ต้องเป็นคนที่ทบทวนตัวของเราเมื่อวันนี้เราเห็นความโชคดี เห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นใช้ชีวิตไปในหนทางหนึ่งความดีงามนั่นแหละจึงจะได้ชื่อว่ากิจโวนมนุสสะปฏิลาโภตามหัวข้อธรรมะที่ได้ยกขึ้นในบางต้นนำมาชี้แจงแสดงให้พวกเราท่านทั้งหลายว่าการเกิดเป็นมนุษย์มีความโชคดีอย่างนี้เนี่ยก็เป็นลาภอันประเสริฐถ้าเราไม่ได้พปฏิบัติไปตามนี้ เกิดมาแล้วก็ตายไปไม่ได้มีความโชคดีอะไรเลยยิ่งมาสร้างความชั่วเสียงหายให้แก่ตนเองเบียดเบียนตนเองมากเข้าอย่างที่พูดนั้นไม่ได้มีความสำคัญอะไรเลยในว่าเป็นมนุษย์ตั้งแต่ร่างกายถ้าภาษาโลกเขาก็เรียกว่าเป็นมนุษย์เทียมหรือเป็นของปลอม ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาไม่มีสาระอะไรเลยเกิดมาแล้วเป็นคนชั่วคนเสียเป็นขยะของโลกเป็นสิ่งที่ควรทิ้งไม่มีใครปรารถนาเลยแม้กระทั่งตัวเรายังรังเกียจตัวของเรานั่นเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีความโชคดีแต่พวกเราได้ทำสิ่งที่โชคดีขึ้นมาเป็นลำดับอย่างนี้เราจะเห็นความโชคดีของเราเป็นลำดับใน การเกิดเป็นมนุษย์ให้เห็นณนะปัจจุบันนี้พวกเราทั้งทั้งหลายและให้เห็นวันนี้เป็นวันที่โชคดีนะให้ศีลเกิดขึ้นจะเป็นวันที่โชคดีให้สมาธิเกิดขึ้นจะเป็นวันที่โชคดีให้ปัญญาเกิดขึ้นจะเป็นวันที่เรียกว่ามีวาสนาอย่างยิ่งในแต่ละวันที่ผ่านมานี้ และการอุปแบบเกลื่อนของพุทธเจ้าดังที่พูดตั้งแต่เบื้องต้นแต่ละครั้งที่พุทธโธเิดขึ้นนี้มันจะดับความโลกโกรธหลงกำจัดยักษ์กำจัดมารกำจัดเปรดผีสัตว์เดรัจฉานออกไปจากตัวของเราถ้ามีพุทธโธและมีธรรมะสอนใจของเราดังที่พูดนี้ เราจะมีความโชคดีเรียกว่าเป็นผู้มีบุญวาดสนาอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ฉะนั้นธรรมะหรือความโชคดีทั้งทั้งหมดนี้ดังที่ได้อธิบายมานีนะขอสรุปให้พวกเราท่านทั้งหลายพึงตั้งจิตของเรา เนียกว่านักปราชญ์บัณดิตทั้งหลายจะตั้งชีวิตของตนที่ยังมีอยู่นี่จนถึงวาระสุดท้ายจะทำวันนี้ให้ดีให้มีความดีเกิดขึ้นไม่ได้เว้นหรือไม่ได้หา่าออกไปจากคำมมะพุทธโธธรมโมสังโฆพุทโธ รมโมสังโฆยึดมาเป็นสรระเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในการประพฤติปฏิปตนเรียกว่ามีปกติทมให้กายของเราเป็นปกติมีศีลทำกายของเราให้เป็นผู้มีความดีรมวาจาและทมจิตใจของเราให้มีพระพุทธพระธรรมประสงค์มีปกติเป็นศีลเป็นธรรม ของในแต่ละวันแต่ละวันที่ยังเหลืออยู่นี่ถ้าบุคคลได้ตั้งตนของเราไวเชน่นนี้และปฏิบัติตัวของเราเชน่นนี้บุคคลพูกนั้นแหลถือว่าเกิดมาดีแล้วปฏิบัติตนดีแล้วและจะไปจากโลกนี้ก็ไปด้วยความ สะดวกสบายเรียกว่าไปดีแล้วฉะนั้นวันนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้มาทำความดีมาไหว้พระมาสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติ ว่าเป็นความโชคดีในชีวิตเพราะว่าความดีนั้นจะกลายเป็นมงคลต่อใจกลายเป็นสิ่งที่ดีต่อใจอย่าขี้เกียจขี้ค้านให้มีความขยันหมั่นเพียรชาวพุท ธ, ธมีธรรมะมีสังฆะเรียกว่าเป็นสถาะนะเป็นเครื่องยึด ทางกายทางวาจาทางใจเราต้องเป็นพุทธและธรรมะมีหลักคือพระธรรมเป็นหลักพระพุทธเจ้าเป็นหลักพระสงฆ์เป็นหลักยึดเอาไว้จะทาอะไรให้มีความระลึกเช่นนี้เรียกว่ามีพุทธโตมีธรโมโอพระธรรมสอนใน้ละความชั่วสร้างความดีเป็นพื้นฐาน และชำระใจให้สะาดหมดจดนี่เรียกว่าเป็นผู้มีถาสนามีที่พึ่งโดยแท้จริงแล้วเราจะได้เห็นคำว่าความเป็นผู้ที่มีความโชคดีโดยแท้ฉะนั้นวันนี้ธรรมภ า, ภาพก็ขออานวยไว้ก่อนให้พวกเราทั้งทั้งหลาย ในการอธิบายธรรมะมาก็เห็นว่าสมควรแก่กันเวลาจึงขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีความโชคดีและมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป และขอพอรอันประเสริฐทั้งหลายเพื่ อ, อายุวันนะสุขภัณฑะปฏิพานธานสารสมบัติขอจงบังเกิดขึ้นแก่พวกเราท่านทั้งหลายการอธิบายธรรมะเห็นว่าสมควรแก่การเวลาจึงขอยุติไม่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชนี ไม่ได้อยู่เดือนที่แล้วก็ทั้งเดือนเดือนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งก็ไปไปรัดฉานเอาเข้าวไปแกะได้ข้าวทั้งหมดเข้าสามยี่สิบห้าตันและก็อาหารแห้งม า, ม, าม่าปลากระป๋องน้ำมันพืช และก็มีพระผมจากเราไปด้วยจากทางสารคามนี่ไปสองร้อยืนรวมแล้วก็เป็นเงินตกไปน่าจะเป็นล้านนะบอกให้ทางโนนรวมทั้งพระป่าสมทบให้เขาทำถนนถนนโรงเรียนก็มีแต่ฝนมีแต่ขี้ตมเวลาฝนตกนี่ก็เลยให้เขาทำ คอนกีกลับมาวันที่ห้าวันที่หก็ไปแสดงธรรมที่อำเภอกู่แก้วเสร็จสามทุ่มประมาณนี้แหละสามทุ่มครึ่งก็เดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานีทางอุบลราชธานีนิมนต์ให้แสดงธรรมหกทุ่มมันก็ไปไม่ทันไปถึงตีสามเขาก็ยังรออยู่นะ แต่ว่าสู้ไม่ไหวก็นอนพัดตื่นเช้ามาค่อยได้พูดได้เอาก็นิมนต์ให้เทศตอนงานตอนเช้าตอนบ่ายก็ประชุมมหาวิทยาลัยราชพัฒจังหวัดอุบลราชธานีก็มีฝ่ายมหาวิทยาลัย อ, อธิการบดีคณะบดีคณะ มีเข้าร่วมห้าคณะคณะคลุศาสตร์เป็นหลักและก็สภาหมหาวิทยาลัยวัฒนธรรมนิมนต์เราเป็นประธานที่ปรึกษานำหลักสูตรศีลธรรมนำหลักสูตร พระพุทธศาสนาประวัติลูกปุ่มมั่นเข้าไปในหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒมังอุบลใครเข้าเรียนในที่นั่นห้าคณะก็จะได้ฝึกปฏิบัติ สมาธิตามแนวทางหลวงปู่มั่น400ชั่วโมงปีละ100ชั่วโมงเป็นหนึ่งหน่วยกิจเข้าเข้าในหลักสูตรแล้วก็เข้าการปฏิบัติเขาก็ทำนะเขาทำมาแล้วตามที่เราเสนอนี้อยากจะให้ คนเรานี้ได้ฝึกให้มีคุณธรรมมีความรู้แล้วก็ให้มีคุณธรรมไปด้วยได้มากได้น้อยก็ตามเหตุปัจจัยอย่างไงก็คนเราทุกวันนี้มันขาดเรื่องของธรรมะเรื่องของคุณธรรมยิ่งเป็นข้าราชาการนี่ยิ่งต้อง ฝึกให้มีคุณธรรมฉะนั้นหลักสูตรวิทยาลัยราชพัฏจึงเป็นหนึ่งหน่วยกิจที่ทุกคนที่เข้าไปเรียนต้องได้ได้ปฏิบัติได้ศึกษาประวัติหลวงปู่มั่นให้จบ ừ, เพราะว่าหลวงปู่มั่นปีหน้าเขาจะประกาศเป็นบุคคลที่สำคัญของโลก เป็นบุคคลที่สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นแก่โลกคือหลวงปู่ ม, มั่นฉะนั้นเมืองอบุบลราชพัฒนเมืองอุบลจึงเป็นปฐมมาเลิกในในหลักสูตรนี้จะไปถึงทั้งปฐมด้วยทั้งมัธยมด้วย เหมือนสมัยก่อนนี่มีวิชาศีลธรรมจริยธรรมหน้าที่พลเมืองในระดับไหนที่ที่จะพึงทาเด็กก็ไม่รู้จักการทานพ่อแม่ไม่ได้พาทรรมทุกวันนี้ถ้าระดับมัธยมก็ควรที่จะรู้เรื่องของศีลนวถ้าระดับอุดมศึกษา ก็ควรที่จะได้มีการฝึกใจฝึกให้เกิดสมาธิสำคัญนะสำคัญมากเรื่องของการฝึกสมาธิฝึกให้มีสติก็เลยต้องทำหลักสูตรนี่ก็คงจะต้องได้พิจารณาร่วมกันอีกว่าเราควรจะกำหนดให้มากน้อยเท่ไรก่อน เป็นบรรทัดฐานที่จะสามารถออกเป็นหนังสือเรียนได้นี่ประชุมเสร็จเมื่อวานนี้ตอนเย็นๆก็มาค้างที่ซีสเกะอันนี้ค้างที่นี่พรุ่งนี้ก็จะไปคอนแกน่นและกลับวัดจนลังสงการนั่นแหละอะไรเนาะอืมอ สารคามนี่ก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรก ม, มีผ่านไปผ่านมาแต่ร้อยเอ็ดนี่มาบ่อยอยู่ทางร้อยเอ็ดทางสารคามก็มีนิมนต์มาอยู่ทางนี่นิมนต์มาเทศอยู่แต่ในเมืองนี่ยังไม่เคยมารับพรเนาะ สามละผเพียาวาริวะาปุราปริตุเรนติสาคระเงวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกักปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจะตุสัเพปุเรนโตสัมกปา จันโทกันนระโสยถาไมีโทติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพโพโรโควินัสตุมาเทปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังมุธาปัจจายโนจัตตารโธธรมาวันติอายุวันนอสุขขังภาลัง Продолжение следует...